ได้ฟังบ้างเรื่องอะไรจำได้ไหมผู้ใหญ่เรื่องอะไรทั้งหมดจเนี่ยใครจำได้บ้างทั้งนี้ใครจำได้บ้าง ให้อีใอกอะพวกผู้หญิงอะได้บังถ้าจำาะไรได้บังอ๋อม่วงเปรียวอ๋อข้งม่วงไม่หวานทำยังไงไม่จะหวานคราวนี้จะบอกวิธี สอนวิธีให้มันหวานทำให้มันหวานให้ปั่อัมพาไปว่ามะม่วงภาษาบาลีเรียกอัมพาเรีว่ามะม่วงอัมพาคือไมายควมไมายหมายความเท่าไห่เราพาไปเรียกอะไรมะม่วงคืออัมพา ไปไหนเรวก็พาไปคือตัวนี้แหละไปเหนื้อเราตองใจแต่มันกเ้าลองลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องพาไปจต่เรียกว่าอําพาข้าตาหากว่าเราไม่พาไปมันไม่ไปลองดูสิใครไม่พาไปมานี่ก็พามามาเชกุติมานี่ อากาศก็พาไปอีกมันตัวนี้ตันนี้แหละที่จะทําให้มันสุกตัวนี้ทำให้มันสุกทําให้มันหวานคือตัวนี้แหละวิธีทําให้สุกวิธีทําให้หวานเขาก็ต้องไปเก็บมาจากต้นเอาไว้ต้นเดียว มันหลน่นเลย่วงหล่นไปอ็สัตว์ไปกินมดต้องเอามาจากต้นมามาบ่มไวให้มันสุกซะก่อนเอาต้องเอาโดยเอารูปแก่นี่แหละมันแก่แล้วก็มาบ่มไม่คยสุกสุกคราวนี้ก็กินหวานเนีะ <c oughs> อะไรที่ ทำให้มันแก่ทำให้มันบกมันสุกคือศรัทธาเป็นต้นศรัทธาน่ะจะแก่กลา้าหรือไม่กล้าก็ตัวศรัทธาเนี่ยทำอะไรทั้งหมดถ้าศรัทธาไม่มีแล้วไม่แน่นอนทาไม่มัน่นคงต้องมีศรัทธาียก่อนเนี่ยค่อยทำได้ อยากทําทไม่ทํานาทั้งสองก็ตามเถอะถ้าไม่เชื่อมั่นว่าจะได้ผลแล้วขี้เกียจทําตามกาลเวลาคิดอยากทําก็ทํำไม่คิดอยากทำก็เลี่ยงไปเพราะนาทำสมาธิเสมอถ้าเราไม่เชื่อมันว่ า, ะลลววามาะม่วงนะมันจะสุกขึ้นตูดของเราเลยแหละ ทางบ้านอนี้แล้วจะต้องได้ศีลธรรมขึ้นมาให้ตั้งใจเชื่ออย่างนี้ถึงจะได้ผลก็เหมือนเขาเอามะ ม, ม่วงมาบ่มเขามาผมตรงไว้ที่เดียวไม่ต้องย้ายไปย้ายมาที่ไหนล่ะเอาไว้ที่เดียวที่เก่านะเอาเครื่องอบปูนมาใส่หรือว่าถึงไม่อบปูนก็เถอะ น้ำบ่มแล้วมันนั่นสุกเองมันออกถ้าต้องการเร็วก็เครื่องอบอุ่นมาใส่ให้มั น, ม น, มนอบอุ่นยังยังสุกเร็วแต่ว่าสุกไม่หวานนั่นแหละสุกแค่นั้นสุกไม่หวานให้มันสุกค่อยสุกไปด้วยกำลังของมันเองมันมีรสชาติดีหวานดี การทำสมาธิภาวนาก็เหมือนกันถ้ารีบร้อนัะไม่เป็นสักถ้าหากว่าเราค่อยทำคือว่าทําให้มันชฉเฉยอย่าไปรีบร้อนรีบร้อ น, นไม่เป็นสักอยากจะให้เห็นอยากจะให้เป็นอยากให้มีอะไรสักให้มันเกิดขึ้นเลยไม่เป็นอันนี้ก็ชันเดียวกัน ทำใจให้เสมอพิจารณากายนี่แหละเห็นสภาพตาเป็นจริงคือมันเป็นจริงเห็นท่าสีเป็นจริงถ้าอยากแคให้มันรู้อยากใหมันเห็นรีบร้อนเกินไปแล้วเดือดร้อนวุ่นวายไม่ได้เป็นจริงอย่างไรมันนี่ให้เห็นตามเป็นจริงอย่าง ญาพุทธเจ้าเนี่ยญาถาพุตังสมารปรยายดาทะบังคือเห็นตามในจริงอย่างไรยธาตุคือตัวของเรามันเป็นจริงอยู่แล้วคือธาตุของเราเนี่ยธาตุดินก็เป็นดินสาสภาพของมันเขาให้เชื่อมันลง ตั้งใจแน่วแน่เต็มที่ที่มันเห็นว่าเป็นดินของแก้งแข็งเรียกว่าดินอะไรทั้งหมดของแก้งแข็งนั่เรียกว่าธาตุดินนั่นนะชีวิตตัวของเราถ้าน้ําของเหลวๆก็เรียกว่าธาตนะุน้ำทั้งสองอย่างนี้แหละมันเป็นหลัก ส่วนลมเรืนะ่องไฟเนี่ยตามมาต่างหากลมเป็นของปัน่นป่วนไปมาสารพัดทุกอย่างในตัวเรามันปัน่นป่วนพ้นผ่านในในตัวของเราเรียกว่าลมพัดขึ้นบางบนลมพัดลมข้างล่างอันนี้มันเลอะมันเอื่อมขึ้นมาเนี่ยนะนะเรียกว่าลมพัดขึ้นขึ้นบงบนลมพัดลมข้างล่างก็คือมันเผยยอกไปนะั่น เคยลมออกไปนะลมลมพัดไปตามตัว да. ท to ี oui. ่ทําให้กายเบาอ่อนนุ่มนวลนั่นมันพัดไปตามตัวนนะลมในท้องลมในใส่มันร้องปขดเก๊กเก๊กนั่นมันบดขู่เกียวเกียนั่นนะลมในตัวในท้องในใส่ลมให้ใจเข้าออก หายใจเข้าหายใจออกเนี่เพียงที่เพียงหายหายใจเข้าหยดแค่ป่อเดินนแต่มันกระจายไปมันลงมีซ่านไยทั่วตัวแล้วพอหายใจมันก็กระทือนหมดเลยกระเทือนไปทั่วทั้งทั้งพังกายมันไม่ได้หายใจตลอดไปถึงเท้าถึงชี้าได้รหรอกแต่มันก็เคลือนกันเอง นี่มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละมันธาตุลมอันนี่ธาตุไฟก็อบอุ่นอยู่ในตัวของเราอธิบายแบบกว้วงธาตุทั้งสี่มันมีอยู่ในตัวของเราแล้วเราไปมายืนเดินนั่งนอนไปมาได้นี่ยก็เพราะธาตุทั้งสี่ให้เห็นธาตุสี่เท่านั้นหละ่ะเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรหรอกพราะน่าปรุงแต่งเองมัน เราพิจารณาอย่างนี้เห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนี้ไม่ต้องเห็นด้วยนิมิตไม่ต้องเห็นผมกด้วยภาพแต่ว่ามันจะเป็นมันก็เป็นจริงเห็นด้วยภาพด้วยมิตนะแต่ว่านั่นไม่เป็นของสำคัญอะไรเห็นภาพเช่นว่าเราพิจารณาไปของเราเนี่พิจารณาไปเห็นเป็นดียนะ เลยปลากรดเป็นจมปลวกขึ้นมาเลยทีเดียวเป็นหัวปลวกขึ้นมาทีเดียวท่านน้ำเราเห็นเป็นแม่น้ำ้ําทานไปเลยทีเดียวอันนั้นหลงอมดนะมัดหลงเห็นเชนั้นมัดหลงเห็นอะมัดไปจับวะนะเดียวอันเห็นโดยสภาพตามเป็นจริงนี่แหละมันเป็นจริงพระพุทธเจ้าดันเอาตัวจริงนะเห็นเป็นจริงอย่างไร ตามเป็นจริงอย่างไรนั่นแหละเป็นของจริงทีเดียวอันภาพเป็นของหลอกให้เราลุ่มหลงแต่คนชอบควมหลงเขาชอบพวกเราถ้าคู่ของโงาไม่ชอบหลงเท่าไหรยิ่งอยากหลงคนทั้งหลายในโลกนี้เป็นยังนไงหลงมัวเมาพอแรงแล้วก็ยิ่งมีคนมาหลอกมาหลงยิ่งไปใหญ่เลย ถึงว่าเห็นตามเป็นจริงอย่างไรคือเห็นมันเป็นจริงอย่างนั้นตามเป็นจริงนะเรียกว่าบม่มมันสุกแล้วน่ะคิดนั่นแล้วน่ะกลาเป็นอย่างนั้นอร่อยเลยเสียเดียวหวานฉ่ำสบายนั่นแหละบ่มงะวงต้องบ่มวิธีนี้ถ้าบ่มวิธีอื่นไม่ได้กินแบบ กินก็ไปไม่อร่อยไม่หวานพิธีนี้หวานทุกคนดีเดียวมันไม่ต้องไปแย่งกันของขครของหันหวานทั้งนั้นทุกคนมีม่วงทุกตัวคนแล้วคนเรานะ่ไม่เหมือนลูกไม้คนไม้ต่าง ลูกไม้พันไม้แก่เข้ามาแก่ครับบรรดาลำต้นหรือรากเหง้าต่างๆเอามารวมมาแห่งเดียวคือมเม่คือมเมล็ดนด <S 2> <S 2> <S 2> ดั่นเองเมื่อแก่แล้วเอามารวมรวมลงสู่มเมล็ดนั่นเดียวหม ด, <S 2> <S 2> <S 2> ดคนเราเนี่ยแก่มายน่งภุมซศาสไม่เหมือนบางใบ ไม่เหมือนต้นไม้เลยสารพัดจะจะยุ่งจะยืงสารพัดจะจะวุ่นวายคิดถึงทั้งนี้ทั้งนี่สารพัดทุกอย่างต้นไม้เขารวมเป็นยาหม่าม่วงเนี่ยนะเอามารว ม, มไว้ในเม็ดเดียวมัด ลากเธออยู่ในนั้นใบก็อยู่ในนั้นกิ่งก้านแต่ค้ายนั้นหมดในผลที่สุดมะม่วง้นนั้นยังมีเล็ดอีกสำัำมันอยู่ในนั้นแต่ไม่ปรากฏต่อเมื่อใดคนเอาไปไว้ในดินเอาไปฝังไว้ในดินถูกดินถูกนา้าชุ่มเข้ามา แต่ออกมาเป็นใบเป็นลากเป็นใบมาเป็นตน้นเป็นลกเท่าเก่าแต่คนเราไม่อย่างนั้นแกมาได้ยิ่งกว้วขวงสาขาปีกไ ว, ไ, วไว้มากมายแล้วอย่างรวมจิตมาดิจึงว่าอธิบายฟังวันก่อนว่า คนเมีอายุมากโยจะวัฏ ส, สตังชีเวเอกาหา่างชีวิตาเชโยมันคนที่มีอายุมากนะโยจะวัฏ ส, สตังชีเวอาพัสสังพยาพยังกันวะคนเราไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายแม้กงความเสื่อมสีวิตไปมีอายุตัง100้งร้อยปีมันก็ไม่มีดีอะไรเลย สูเด็กเกิดในวันนั้นไม่ได้เียก็หางชีิตาเฉยปัจฉโตประ ย, ะระยะัพพยังเกิดในวันเดียวเท่านั้นแ่ะเขารู้จกักความเกิดความดับความชินความเสื่อมของสังขารร่างกายประเสริฐกว่าผู้มีอายุนิวรอยีท่านเอาคุณธรรมนันต่างหากท่านอาอยุมาก ถึงว่าคนมีอายุมากท่ามรวมจิตใจไม่เปิดจิตใจไม่อยู่ในตัวตัวก็ได้เชื่อว่าไม่มีประโยชน์ตอนนั้นเรียกว่าม่วม่วงไม่หวานบ่มไม่เป็นถึงยังไงยังไงพวกเราต้องพิจารณาอย่างนี้ ให้เห็นเป็นจริงอย่างที่ว่ามานะันมะม่วงคือตัวของเราคห้เห็นว่านี่แหละธรรมะก็เฉลิสูงสุดอยู่ตรงนี้แหละอย่าไปหลงไหลอย่าไปเข้าใจผิดคิดลังเลต้องใส่ไม่เป็นผลประโยชน์อะไรแก่เราเลยแก่เท่าจวนจะตายทุกคนแล้ว ถึงพุเทศน์ก็เหมือนกันไม่ทราบว่าจะตายวันไหนเมื่อมันจะตายยังค่อยรวมเข้ามาเหมือนกับปลดไฟเอาไว้ให้รวมได้จก่อนถ้ามันรวมเข้ามาอยู่ในที่เดียวแล้วอันนั้นแล้วแต่คุณจะจะปลูกหรือไม่ปลูกก็แ่ะไม่ปลูกก็ไปทิ้งยะอย่าไปลงเป็นถูกดินถูกน้า มันก็เหี่ยวแห้งตายเลยถ้าหากว่าเราไม่รู้ตัวไม่รู้จักว่ามันจะงอกอีกเอาไปฝังดินไว้ถูกน้ำชุ่มเข้ามาแตกงอกมาเท่าเขา่าให้มันรวมลงได้ก่อนมันรวมลงในที่เดียวที่ก่อนเราจะตัดก็ตัดง่ายเราจะขาดก็ขาดขาดได้เร็ว เหมือนกับผู้พิพากษาสืบสวนคดีต่างต่างต่างเป็นฝึกเบ์เลอร์การสอบสวนเขาได้แนะ้เวลาเขาตัดสินเขาม น, นั่งบันลังอะนะนั่งในที่ศาลนะบันลังนะอ่านประกาศตัดสินนิดเดียวเท่านั้นนะลงที่เดียวเลยนั่นะตัดสินได้ เราจะตัดสินได้หรือไม่ได้กันรู้จักับตรงจิตนั่นแหละตรงจะเอากันจริงๆอะไรจังตัดสินได้หรือไม่ตัดสินได้แกับปล่อยวางเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างตัดสินได้เชื่อมั่นของตอนเชื่อมั่นในใจของตอนเน่ะเมื่อมีสิักผีพยายนเพียงพอแล้วนี่ตัดสินตรงตรงนี้แหละเขาจะเกิดอีกหรือไม่เกิดตัดสินตรงตนนั่นแหะ ถ้มันเกิดมันก็ต้องยุ่งมันยังเกี่ยวคล้องเผอพันธ์เนี่ยเกี่ยวมากา ก, มา ก, ก, ก็ต้องเกิดมาเกี่ยวพันเล็กน้อยสกหนึงเกิดเกิดเกิดน้อยฉาบก็ไปม่นมีเกี่ยวพันเลยก็เด็ดขาดละชาละภพได้เลยนั่นแหละชื่ว่าตัดชินในทีเดียวถึงแม้ถึงแ น, นก็ให้รวมแน่เสียก่อนมันจะตัดชิ้นใดโดยประการใดก็แล้วแต่เราเอาต้อตงมา เอาละท่านนี้แหละเอานั่งบอกกมวง บ่มในที่เดียวนี่แหละนั่งใช่มันคงที่อยู่เนี่และไม่ต้องไปไหนเมื่อกายอยู่อย่าให้ใจไปให้ยืด้วยกะเมื่อใจมันวิ่งว่อนไปมาอยู่นะมันต้องอาศัยหลักเป็นเครื่องอยู่ครื่องไม่เห็นใจใจมีตนไม่ดุอนีรต้องอาศัยหลัก คือคำบริกรรมเอาพุโทโธไว้ในใจพุทโธดีๆนักนะจะระพั ด, ร ด, ดะะปราบได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราตั้งแนวสติตั้งแนวในพุโทโธอเดียวสามารถที่จะระ ง, งับทุกโศกโลกภัยทั้งหมดถ้าไม่เชื่อลองดูสิ ความโกรธฉุนเฉวเกิดขึ้นมาตั้งสตินึกถึงพุทโธนี่ยเดี๋ยวก็อายหรอกอายพุทธเจ้าหรอกอายพุทโธหายหมดเนี่ยพุทโธดีอย่างงี้เนะี่อันที่มันไม่หายเพราะไม่ตั้งสติสำนึกพุทโธเฉยหลืมพุทโธซะพุทโธเลยไม่อยู่กับเราพุทโธพุทธเจ้าหายหมดมันก็มีแต่ ยิเรศเขามาครอบงำมาทันทีมีแต่ว่มโกรธวุ่นวายมาทันทีถ้าพุทธโธตั้งสติกำนดเท่านั้นพุทธโธมาอยู่แทนที่เราว่วมโกรธก็ได้หายจากใจหมดอย่าลืมให้ระลึกถึงอยู่เสมอจึงจะเป็นผลให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนของตนเพราะเป็นภัยอันตรายอย่างยิ่ง ความโลภความปวดความหลงเป็นไยอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราไม่มีจจตีตั้งอยู่ในพุโทโธแล้วสารพัดจต่จงมันจะทำตัวของเราเป็นไย ต, ต่างๆนั่นหละจนกระทั่งคิดประทุษได้คนอื่นประหัตประหารผ่าฟันทุกประการออกจากตัวเดี่ยวนั่นน่ะ เอาพุทโธไว้ให้มันตั้งสติกำหนดให้มันลงนจริงๆนะจังใ น, ในที่เดียวนี่แหละคือกายอยู่แล้วใจมันต้องให้อยู่เหมือนกันมันพาเราเรียงวอนมันมากมายก็มากเกิดมาจะมีอายุเท่าไหร่แล้วก็ไม่สัดฉันจะเกิดมาไม่เห็น ตัวพุโทโธและสักขีจิตไม่เห็นเลยอนสติควบคุมจิตไม่อยู่ไม่เห็นจิตเลยไม่เห็นพุโทโธเลยพุโทโธนะี่คือจิตเอานั้นไปก่อนเอาพุโทโธพุธโทโธในใจในในจิตตัวนั้นเนะี่เมื่อมันออกจากนั้นไปออกจากพุโทโธนั้นไปมันไปแล้วคนะ ไม่มีทิฏีิควบคุมมันไปครับทิฏีิควบคุมมันก็อยู่ทุกโลกเอานั่นแหละเป็นจิตเช่นก่อนขั้นเมื่อคุมอยู่แล้วพุทโธจะหายไปครับนี้เจงเชิงเหลือใจจิตเจงว่าตัวพุทโธนั้นให้เป็นสื่อเบื้องต้นให้จิตมาอยู่นะเช่นชก่อนอ้าวทำพ อ, พอหนาแต่บทที่เลยครับ จะปลีกให้อยู่ถ้าจับเป็นอยู่ก็จะเรียกว่าย้าใหาาเหรียญตาเหรียญพระเหรียเนรเหรียเขาว่าจะไปโกรธได้หรือทาไมว่าอตัวนี้หรอเขาว่าตัวใจมันแตกคนนี่ย่าไปโกรธเขาจับเราจับไม่ได้เราเป็นลหรียญนั่นเอง คนนอนมากโกรธไม่พิจารณาที่ถวันมากโกรธเขาหาว่างัวว่าควายตาคนนั้นเป็นงัวตาคนนี้เป็นขว้วตาคนนั้นเป็นปูเป็นปลาผ้าคนนั้นเป็นปลายงั้นอย่างนี้อะไรแต่าเป็ดเจ็บป็ดเป็ดเป็ดเป็ดไกมันก็เลยโกรธเขาความเป็จริงมันเป็นจริงของเขาเอาเนี้ก็ไก่นัเนี่ยมามาเลี้ยงตัวนี่ เอเนื้อเป็กันน่ะเอาเนื้อหมูนะเอาเนื้อปลาเนี้ยปูน่ะนะมาเลี้ยงวันนี้น่เขาว่ากัคนควรจะให้เขาเลยไม่เข้าใจกว่ามันจริงมันถือตนตือตั ว, ตวอย่างนี้มันถือมานานนานคันเห็นสภาพตามไม่จริงแนละ้วมันก็ไม่ถืออะไรกั น, นกหรอกตำรวอันนี้กำลันการ น, นะ เห็นว่าตัวเป็นเลีงเขาคอยใจยินดีเขาว่าถูกปล่อยให้เขาเสียแต่ตัวของเขาก็เป็นเลีงเหมือนกันไม่รู้ตัวยังว่าแต่คนอื่นตกลงว่าเลีงด้วยกันทั้งหมดทั้งบา้านทั้งเมืองทั้งโลกนี้เป็นเลี้ยง้วกันทั้งหมดนั้นก็หมดเลื่อนมันไป แค่นั้นยังว่าเราจะค้นจากลิงนะเด้จะจับตัวลิงให้ได้เนี่ยเข้าไปติดตังแต่พวกอันติดตังเราไม่ค้นจากลิงอยู่ตางนั่นแหละทำก็ไม่ได้ก่อน